นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางพิยวธรรมะดอทคอมมาพระไพ่บุ์อภิปุโนจากปัป่าดอนหายโศกก็จะมากับคุณหมอณัฐพงศ์ครับกราบนมัพสการและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมทันตแพทย์ณัฐพง์กนกวิรุณกรับวันนี้หมอพงศ์ของเราก็มาทั้งด้วยเสียงที่ลาแล้วเกินครับก็น่าจะกลับมาหายดีครับ ก็วันนี้อยากจะพูดถึงไอ้นี่มันตอนที่เท่าไหร่นะคุณหมอ ต, ตอนที่หกสิบสองหกสิบสองแล้วทุกสัปดาห์เรามาไม่เคยขาดพยายามจะเติมให้เต็มแล้วก็วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องประเด็นนิดหนึงเกี่ยวกับเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องการเษษารียนภาษาบาลีที่ตัวอาดามาได้มีโอกาสไปเรียนหลักสูตรในประเด็นธรรมหนึ่งสองจะขอขยายความตรงนี้นิดหนึงก่อนที่เมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดถึงมาก เรียนแล้วมันมีอะไรแต่ละอย่างกลุ่ม อ, องค์ประกอบของการเรียนรู้อะไรมันมันมีอยู่ในนี้นนะก็จะขยายความให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอาทำไมคุณไปเรียนสิ่งที่เป็นอาขาหรืออะไรอย่างนี้อีกอันดับแรกก่อนก็คือว่าเราตีละขั้นละตอนอาการเรียนภาษาบาลีนะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำหมายความว่าถ้าเป็นสำนักแล้วมีเวลาว่างแล้วก็ เอ่อต้องการจะรู้คําสอนของพระเจ้าให้มากขึ้นเนี่ยการเรียนภาษาบาลีเนี่ยเป็นสิ่งที่คนทําทีนี้เราจะเรียนรู้ยังไงถึงจะเหมาะสมในเมืองไทยนี้ก็จะมีรูปแบบของการเรียนอยู่นะซึ่งเขาก็จะมีการสอบการสอนอะไรกันก็เรียกว่าหลักสูตรเปลี่ยนทำนะซึ่งพระก็เรียนได้ครรวาสก็เรียนได้เนนสามเนรชีครรวาสทุกคนเรียนได้หมดเรียนแล้วก็ต้องไปสอบสอบเพื่อให้ผ่านมีเกณฑ์การวัด ตั้งแต่ปเปลี่ยนหนึ่งถึงปเปลี่ยนเก้เราเชื่อว่าหนังสือที่เอามาใช้สอนนั้นก็จะเป็นตั้งแต่หนังสือธรรมบรมบทตกากถาวินยัยมงคลทิ ป, ปนีหรือไม่ก็วิสุทธิมรรคอะไรเหล่านี้ไล่จนไปถึงปเปลี่ยนเก้ซึ่งก็จะมีส่วนที่เป็นอยู่พุทธวัฒนะนะเกี่ยวกับตากถาเขาอธิบายพุทธประจารอยู่หน่อยหน่อยหน่อย่อหนงสมมุติวินัยอเงี้ยเขาอธิบายถึงพุทธวันะตรงนี้ว่ายังไงส่วนธรรบรมบทนี่ก็อธิบายเป็นนิทานยกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ มีส่วนที่เป็นพุทธวจนาก็มีเป็นส่วนที่คําของคนหนึ่งก็มี น, นี่คือเน้าที่เขามีอยู่ในปัจจุบันถ้าเราไปเรียนเองก็ได้เหมือนกันนะซึ่งใน ต, ตอนแรกๆเนี่ยธรรมา ก, ก็เลือกรูปแบบที่ในการเรียนเองแล้วทีนี้พอเรามาเรียนเนี่ยเราพบว่าองค์ประกอบของคนที่จะเรียนอะไรผ่านได้เนี่ยนะมรดพงศ์สมมติ ค, คนที่จะดีในเรื่องของแคลดามิกเนี่ยเรื่องของทางวิชาการใช่ไหมก็อันหนึ่งคุณต้องมีความสามารถในการเรียนรู้เรียนรู้ใช่ ค, ความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยบางทีมันเป็นอย่างนี้นะ บางคนเก่งในห้องเรียนแต่ว่าพอไปทํางานไม่เก่งอในความสามารถในการเรียนรู้ในการทํางานไม่มีแต่บางคนเรียนใน a c a d e m i กไม่เก่งแต่พอไปทํางานจี o ้อ็อก e เหล็กเชื่อมเหล็กก่อสร้างพวกนี้ทำได้นะไม่ยอ<ก>ทออันนี้เขาก็มีคุณสมบัติในการเรียนรู้ของเขาใช่ไห ม, อ, มอย่างเด็กบ้านนอกเด็กในเมืองดูกันก็รู้ละ่ะในความออโตรอบก็จะไม่เหมือนกันในในแต่ละที่เอาเกมก่คอมพิวเตอร์ให้เด็กบ้านนอกนี่ไม่รู้ทําไงเอาเกมก่อให้เด็กในเมืองนี่โอ้โหมันเล่นเป็นเล่นอะไรเป็น แต่พอไปอยู่บ้านนอกอย่างเงี้ยไปหาววหาควายเอาตัวรอดไปเล่นกับหญ้าเล่นกับสัตว์เขาก็เด็กในเมืองก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอาจจะโดนขิด <c oughs> มันก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นความสามารถในการเรียนในห้องเรียนก็อย่างหนึ่งความสามารถในการเรียนในชีวิตจริงก็อย่างหนึ่งนะทีนี้มันอยูอ่ความแตกต่างตรงนี้มันก็มีบางคนเรียนเก่งแต่ว่าอ q ไม่มีอ q น้อยใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันคือเรื่องของจิตในประเด็นที่เรางพูดอยู่นี้คือปริญญาต์ที่ไม่เป็นงูพิษ เราจะเรียนรู้ยังไงให้ข้อมูลที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยไม่เอาไปทิมแทงคนอื่นนะหรือว่าใช้ลมลางละที่อื่นให้สิ้นไปเอาตัวรอดให้ได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในการทําให้ เ, เกิดประโยชน์นะซึ่งความรู้ความเรียนตรงนี้ก็มีส่วนสําคัญคบทเรียนที่2คือเรื่องของภาษาบาลีนะเราเรียนภาษาบาลีก็เป็นสิ่งสําคัญทำให้เข้าใจรากศัพท์ของคาสองวิชาได้มากแลนะประการที่3ก็คือเรื่องของธรรมบท ที่อาตมาบอกในคราวที่แล้วเนี่ยว่าธรรม บ, บทเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นพุทธวจนะอยู่ประมาณส0เปร์เที่เหลือก็เป<อ>็นสิ่งที่อธิบายก็มีมันถ้าเรารบอกว่าเอ้ยเราไม่เรียนหรอกสิเคุณก็ไม่ได้ก็จะไหมก็จะหลุดไปเอหลุดไปคุณก็เห็นเพราะว่าไอ้เก้าเนี่ยมันไม่ดีพอเห็นว่า9 0้ไม่ดีงันเราจะเอาทำไมไม่เอาแล้วกันเอาสิเราก็ไม่ได้นะ เพราคนที่จะมาศึกษาสิ่งต่างๆในโลกถ้าบอกคุณต้องเอาพุทธวจนะอย่างเดียวมันถูกต้องนะจะนี้ว่าแล้วเวลาเราพูดกันในปัจจุบันเธอกินข้าวหรือยังฉันกินมาแล้วฉันกินไอ้นี่แล้วเธอสบายดีไหมพวกนี้ไม่ใช่พุทธวจนะเลยนะเขก็ใจไหมเพราะฉะนั้นผมว่าคุณจะพูดให้พูดเป็นพุทธวจนะร้อยเปอร์เซ็นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราไม่ใช่พระเจ้านี่ใช่ปะถึงแม้พระเจ้าเองเพระเจ้าเองก็ยังถามสารทุกขสุกดิบเอาว่าเธอไปอยู่ที่นี่อดทนได้ไหม อาหารตามีตามได้อดทนได้ไหมจีวอนเนาชนะตามมีตามได้อดทนได้ไหมอดทนไ ด, ออนได้โอเคเรามาฟังทํากันอย่างนี้พระเจ้าก็จะมีสไตล์ในการทักภิกษุอย่างนี้เหมือนกันในซึ่งตรงบทสนทนาตรงนี้หมาเราได้อัตตรรจาการแปลอัตถกถาไงแปลในตรงคําสอนตรงนี้ซึ่งก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นประโยชน์ตรงที่ว่าเราต้องกลับไปดูพุทธพจนะเพราะฉะนั้นเราจะไปศึกษาหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณได้ข้อมูลมาชิ้นหนึ่งเนี่ย คุณก็ดูให้ดีว่าตรงไหนเป็นสิ่งที่เป็นพุทธศาสนะตรงไหนเป็นส่วนขยายใช่ไหมเราก็ต้องกลับไปหาพุทธวันะอย่างดีอยู่เดิมอย่างเดิมอย่างนี้อย่างญาติโยมมาวัดอย่างเงี้ยหมอรัตพงศ์เอ้ยบางทีเขามาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นอะไรมันไม่เกี่ยวกับธรรมะอย่างเงี้ยนะเราก็ตัวนทนฟังไปแล้วถ้าเขาพูดอะไรที่เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เป็นคำสอนของพระเจ้ามันก็ฟังก็ได้อย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะเลือกสิ่งที่ดีออกมาเราเองแล้วในกระบวนการตรงนี้ ถ้าเรียนไปเรียนไปมันก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราก็รู้ภาษาบาลีมากขึ้นด้วยนะแต่ไม่เข้าใจคําสอนพระเจ้าไ ด, ได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเข้าใจถึงรากของศัพท์ยกตัวอย่างหนึ่งที่เราได้พูดกันไปเมื่อตอนที่้ราลำบากก็ไม่แน่ใจเรื่องของชาตริยณธรรมอ่าคือธรรมที่อา่าก็เรียกว่าอะไรธรรมที่ประกอบการตามประกอบในธรรมมันเป็นเครื่องตื่น พระพุทธเจ้าคู่ที่ในหนังสือฮัลเลมเนี่ย <c oughs> เขาแปลมาท่านพุทธตาได้แปลไว้ก็คือว่าการทําความเพียรด้วยการเดินการนั่งใช่ไหมตลอดวันยังค่ําไปจนสิ้นยามแรกราตรีแหมภปาษาอังกฤงามมากใช่ครับพอยามกลางราตรีนอนอย่างราชศรีนะตะแกงข้างขวาเท้าเหลื่ยมเท้าใช่ไหมพอยามสุดท้ายกลางราตรีนะลุกขึ้นและทําความเพียรต่อด้วยการเดินการนั่งนี่คือที่ท่านพุทธตาแปลมา บ, บาลีเขาแปลไงหมอรัตแมมความแตกตา่างนี้แหมคมมาก พรุทธเจ้านะะพุทธเจ้าบอกงนี้บอกว่าในเวลากลางวันเนี่ยให้เธอเดินนั่งเพื่อกําจัดกิเลสในเวลายามแรกแห่งราตรีให้เธอเดินนั่งเพื่อกําจัดกิเลสในเวลายามกลางแห่งราตรีเธอนอนได้เวลายามสุดท้ายแห่งราตรีเธอเดินนั่งลุกขึ้นมาเดินนั่งเพื่อกําจัดกิเลสเห็นพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าจะแบ่งเป็นสี่ตอนนี่สี่ตอนคือยามกลางวันตอนหนึ่งยามต้นแห่งราตรีตอนหนึ่งยามกลางราตรีตอนหนึ่งยามปลายแห่งราตรีตอนหนึ่งนะโดยใช้กิริยาคนละตัวกัน ก็จะหมายแต่ท่านพุทธาสเนี่ยพอแปลมาเสร็จปุ๊บยามต้นของราตรีกับเวลากลางวันเนี่ยท่านรวมกันหมดเลยใช้กิริยาตัวเดียวอ๋อไปเดินกันนั่งจนกระทั่งหมดไปจนถึงยามแรกของราตรีที่ทำไมวิชาต้องบอกอย่างนี้ทำไมไม่บอกว่าทั้งตลอดกลางวันทั้งตลอดกลางคืนคุณเดินนั่งหรือทำไมไม่บอกแค่ใช้กิริยาตัวเดียวคือตั้งแต่ยามต้นของราตรีจนตั้งแต่ยามสุดท้ายของราตรีจนกระทั่งไปถึงยามต้นของราตรีวันต่อไป ทำไมไม่ใช้เกียริยาแค่ตัวเดียวทำไมใช้ตีเรียดึงต้องสามตัวในเรื่องของการทําความเพียรอีกตัวหนึ่งเป็นเรื่องของการนอนพักอย่างเงี้ยครับมันมีประเด็นตรงนี้งานมอระพงอย่างอย่างชีวิตของพระสงฆ์เนี่ยคุณเดินนั่งมาทั้งวันนะหรือคนที่ไปอยู่วัดนั่งสมาธิอย่างเงี้ยไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมลีกครับพอถึงเวลาเย็นปุ๊บจะเข้าจะเย็นตอนตกพระที่ตกดินไปแล้วอย่างเงี้ยคุณก็มาสงน้ําอาบน้ํำทําดุระอะไรนั่นนี่บ้างสักผ้ามีการพักได้นิดนึงแล้วคุณนาต่อ ใช่ไหมทำต่อเสร็จปุ๊บ ย, ยามกลางนอนพักยามต้นตื่นมาอีกตื่นมาอีกทำต่อแล้วก็ไปล้างหน้านิดนึงไปกินข้าวกินอะไรยามกลา ง, งวันก็ทําต่ออีกเพราะฉันจะเห็นได้ว่ามันจะต้องมีการพักบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอิเลบทบ้างมีการทําอะไรบ้างไงจริงครับซึ่งตรงนี้ทําให้เราเห็นมุมแง่มุมว่าโอ้ภาษาบาลีนี่คมมากเวลาที่พระเจ้ากําหนดบทเปลี่ยนชนะเนี่ยเราดูแค่ว่าพระเจ้าใช้กิริยาสีตัว แต่พอแปลมาเป็นไทยแล้วรูปร่างภาษาสลัสรวยเหลือกีริยาแค่สามตัวอย่างเงี้ยเข้า<อ>ใจะหายหายไปนิดนึงอซึ่งก็ไม่ได้ปิดความหมายอะไรเดิมแต่เราเห็นแง่มุมตรงนี้มากขึ้นและทํให้อาจารย์มามีความรู้ว่าโอ้สามภาษาบาลีนี่เป็นสิ่งที่สําคัญคแล้วเร า, เราถ้าเราไม่รู้ภาษาบาลีเนี่ยเราจะอธิบายถ้าคุณฟังฟังมาคุยเรื่องภาษาบาลีกับหมอระพงว่าเออแมาพ่พระเจ้าใช้คํานี้ใช้ปัญญ า, าตีทําไมไม่ใช้อย่างอื่นทำไมใช้สติทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะอธิบายได้ดีมากขึ้น เราจะเห็นแง่มุมตรงนี้แล้ท่านผู้ฟังก็รอๆดูไปว่าธรรมะอะไรมันจะลึกซึ้งขึ้นไปแค่ไหนยังไงบ้างนะในแง่มุมที่รู้ภาษาบาลีตรงนี้นะครับคือตอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติก็บัญญัติเป็นภาษาบาลีใช่ไหมครับใช่ก็มีหลักฐานเป็นพุทธวจนะที่บอกว่าเวลาเขาเรียกว่าอะไรอรมาไม่แน่ใจนะที่พูดว่าทายทอดธรรมะหรือว่าเรียนธรรมะเนคุณใช้ภาษาบาลีประมาณเนี้นะ กาบทพิจารณเนี่ยต้องไปไปค้นคว้าอีกทีหนึ่งแต่ก็ประมาณนี้ว่าให้สืบทอดกันเป็นภาษาบาลีไปเนี่ยหรือว่าต้องกลับมาหาภาษาบาลีต้นตํารับเดิมของพุทธเจ้าซึ่งซึ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะหมอระพก็เป็นบาลีสยามรัฐอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไปรู้ตรงนี้ก็ดีทีนี้คนสมัยใหม่เนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้ได้ถูกแปลมาอย่างมากแล้วจะมาโดยทีมงานที่มีความเก่งกาจอย่างท่านพุทธทาส ครูบาอาจารย์ของมามงกุฎมาหาจุฬาอย่างเงี้ยท่านได้เปลี่ยนแปลมาเรียบร้อยแล้วไอ้รอ เ, อเรื่องกระบวนการทํางานมันก็จะมีทุกิดผิดบ้างถูกบ้างแต่ความความสามารถความเขาเรียกว่าความขยันความทุ่มเทต ร, ตรงนี้ท่านมีต็มที่ทุกท่านเลยครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาครับแล้วรู้สึกว่าในเร่องใเรื่องภาษาเนี่ยจะมีข้อจํากัดทางภาษาอย่างเช่นภาษาไทยก็จะมีข้อจํากัดลักษณะหนึ่งอย่างเช่นมีการแปล การแปลอย่างเช่นภาอังกฤษก็จํากัดแบบหนึ่งนะครับเพราะงั้น<ร>กลับไปดูที่รูปภาษาบาลีที่ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นประกา ร, รที่สองแลคือเวลาเราไปไปเรียนเราอ่านเองอย่างมรดพเวลาเราเอา่อมีความเข้าใจขึ้นมาเงี้ยจิตเราจะสว่างโล่ขึ้นมาสว่างวบขึ้นมานิดนึงใช่ไหมทีนี้เวลาเราไปเรียนหนังสือเนี่ยคือสมมุติเราเราเข้าใจอ่านไปเข้าใจไปอ่านไปเข้าใจไปเอาตรงนี้ไปเชื่อมกับตรงนี้เราสว่างวบสว่างวบขึ้นมาจิตของเราอะนะใช่ครับทีนี้พอเราไปเรียนหนังสือถ้าครูสอนเก่งเนี่ย เขาสามารถชี้ประเด็นตรงนี้ชี้ประเด็นตรงนั้นชี้ประเด็นตรงโน้นเชื่อมกันตรงนี้บ่ว่าว่าเป็นมาเนี่ยอ้โเราสว่างว่าว่าเป็นต้นคริสต์มาสเลยอ๋อครับเพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยความสามารถในการเรียนจึงเพิ่มขึ้นด้วยสองเราไปเรียนเนี่ยภาษาบาลีเราก็เพิ่มขึ้นด้วยสเราก็รู้ปริศนาส่วนสิบอนั้นที่เรายังไม่ได้เคยได้รู้มาก่อนก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่มันก็มันก็ดีอันนี้คือเรามามองเห็นอย่างนี้เราจึงคอมมิตที่จะไปเรียน กฎคอมมิตที้จะจะทำตรงนี้ขึ้นมาให้ให้คิดว่าดีนะครับอย่างไรก็ตามก็ให้ฟังฟังไว้แน่ใจให้แน่ใจให้มีความแน่ใจว่าเออเราก็ยังอยู่ในหลักการของพระพุทธเจนะอยู่เนาะส่วนไหนดีเราก็เลือกเอาส่วนไม่ดีเราก็ยกไว้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ว่าใครด่าใครละทําดีก็ก็ดีแล้วอืคแต่มาก็มีความคิดเงี้ยนะอืครับอนุโมทนาครับอประการถัดมาที่จะพูดถึงประเด็นต่อไป เกี่ยวกับเรื่องภาษาบาลีนี้คุณหมอรัตพงษ์มีกับถามอะไรอีกไหมก็ไม่มีครับแต่รู้สึกว่าก็ยากเหมือนกันเคยเห็นกลรู้สึกว่าทีนี้กระบวนการสอนเนี่ย <c oughs> ก็มีความเปลี่ยนแป ล, ปลงไงคือคถ้าแบบสอนแบบเดิมให้จา <c oughs> ให้ท่องอะไรเงี้ยเด็มาก็จะไปไม่ไหวคือ <c oughs> เราก็จะแบบเหนื่อยหน่ายไปเพราะไม่รู้ว่าจะใช้งานยังไงยังไม่เห็นรูปลักที่แท้จริงโครงสร้างภาษาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ทีนี้อาจารย์ที่ท่านสอนนี่ท่านสอนแบบแบบจําให้แปลเลยคุณแปลเลยเอาประโยคมาคุณแปลเลย ข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเขียนเป็นอักษรไทยอยู่มำให้เราเข้าใจได้อ่านได้แล้วก็คําไทยเนี่ยก็จะมีรากศัพท์ของภาษาบาลีสันสกฤตนอยู่มากรบ 50-80% ทีเดียวนะยิ่งศัพท์สูงๆเนี่ยเขาเป็นภาษาบาลีทำให้เรามีความเข้าใจได้ได้มากเร็วขึ้นเพราะว่ากระบวนการที่มันเป็นตัวอักษรเดียวกันแล้วก็ข้าสอเลยวิธีแปลๆยังไงแล้วย่างอื่นบัญญัติอะไรต่างๆก็ค่อยแทรกไปแทรกไปอย่างเงี้ย ทำให้เราเข้าใจเร็วรู้ว่าจะใช้งานตรงไหนสุดท้ายเนี่ยมันไปต่อกันเองเหมือนการต่อจิกซอว์หมอรัตมงคบการเรียนภาษาบาลี<ม>หรือการแปลตรงนี้ในความเข้าใจของธรรมานะในความเข้าใจของเราคนเพิ่มเพิ่งเริ่มเรียนเนี่ยเราเข้าใจในประเด็นที่ว่ามันเหมือนการต่อจิกซอว์<ม>นะเอ า, เอาตัวตรงนี้มาต่องนี้ต้องบนอย่างนี้ต้องกลับอย่างนี้ดึงตรงนี้มาแปลงรูปอย่างนี้อย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ออกมามเป็นภาพรวมใหญ่เองบางนี้เราไปต่อตรงนี้ก่อนบีเราไปต้อนู่นก่อนเสร็จปุ๊บอ๋อมเป็นอย่างนี้หลักการวยากรณ์ใช้เป็นอย่างนี้ เงี่ยมันคือมันจะเสียเวลามากถ้าเราไล่ไปหามุมล่างซ้ายตัวที่หนึ่งมุมล่างขวาตัวถัดมาถัดมาถัดมานี่ยไปหาที่ละตัวจักเป็นพันๆตัวเนี่ยคุณจะใช้เวลานานมากอาเข้าใจไหมทีนี้วิธีการที่อาจารย์ท่านนี้ท่านสอนนี่คือท่านพระอาจารย์มหาอาวราวัชราเนี่ยนะจันทรโรจันทร์ศโรเนี่ยท่านสอนก็คือว่าสอนให้คุณแปลเลยเห็นภาพรวมก่อนแล้วตรงนี้จับแส่ตรงนี้จรงนี้จับแสงนี้เป็นมุมเป็นกองเป็นกองไว้ก่อน เนยใครจะเคยต่อจิกซอรหรือคงจะเข้าใจเนาะขนาตัวมุมก่อนแบ่งหมดต่อกมาเฮ้ย<ม>คุณดูภาพนี้คล้ายกันจับมารวมกันจับสีมารวมกัน ต, ต, ต่อต่อต่อต่อปุ๊บมันก็จะเป็นแพชเป็นแพชเป็นแพชก่อนแล้วสุดท้ายมันก็หมดมาเป็นภาพเดียวกันเหมือนเป๊ะเลยในความเข้าใจของอาตมาและผู้เพิ่งเริ่มเรียนครับอืมทีนี้อย่างการเรียนสมัยเก่าเขาก็จะอธิบายตั้งแต่มุมล่างซ้ายตำแหน่งที่หนึ่งมาก่อนนะถัดมาตัวต่อดไปตำแหน่งที่สองไล่ไปถึงมุมล่างขวาถัดมาวักขึ้นมาชั้นที่สองเนี่ยอธิบาย อู๋มันมันทำให้เราไม่เห็นภาพรวมเนาะก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนในการเรียนนี้ก็พูดประเด็นนี้นิดหนึ่งอย่างตอนที่จามาไปเรียนเรียนหนังสือจบมาใหม่ๆเงี้ยจบปริญญาตรีมาวิศวะอย่างเงี้ยเราเรียนต้องร้อยห้าหน่วยกิตแต่เราใช้จริงๆเนี่ยเวลาไปทํางานใช่ไหมกูไปทํางานในโรงกลั่นน้ํามันเนี่ยเขาให้คุณปรับจูนค่าพารามิเตอร์แสดงต่างๆใช้จริงๆในงานเนี่ยนะแค่3หน่วยกิตนั่นคือเรียนวิชาลับ control มาแต่ก็ต้องปรับจูนค่า PID พวกเนี้ย เราใจริงแค่นั้นเองเราที่เหลือไม่เคยใช้เลยตรีโกนมิติฟิสิกส์อะไรต่างๆไม่เคยใช้เอามาใช้งานจริงๆเลยแล้วถามว่าไอ้ความรู้พวกนั้นเรียนแล้วจริงไหมมันเป็นยังไงหมอรัตพงศ์ว่าเวลาที่เราเรียนเนี่ยอย่างสมมติเรียนตรีโกนมิติเนี่ยคุณต้องทํามุมเท่านี้ระยะทางเท่านี้เวลาคุณโหนรถเมย์จริงๆเนี่ยคุณไม่ได้มาคำนวณถึงขนาดนั้นหรอกหรือเวลาคุณไปเอาเอ า, เอาแบกของเงี้ยคุณต้องพัดระยะห่างจากบารเท่าไรน้ําหนักเท่าไร่ถึงจะเป็นอย่างนี้คุณก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอกมันกก็เอา ในเรื่องการเรียนตรงนี้มันเลยทําให้เพิ่มความสามารถของเราตรงส่วนที่ว่าการแก้ไขปัญหาความคิดเป็นเหตุเป็นผลนะความรูนนะ้เนื้อหาของของที่เรียนจริงๆไปใช้งานอย่างของตัวอย่างตานะแค่3าหน่วยกิจจาก150หน่วยกิจที่เรียนนั้นะที่เหลือเป็นอะไรไม่ได้ไปใช้เลยทำรถยนต์จริงไหมก็ไม่เพราะว่ามันเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการคิดเป็นเหตุเป็นผลความสามารถในการหาคําตอบของเรา ดังนั้่าจะพูดถึงองค์ประกอบเรื่องจริงมันมีอยู่4ส่วนในส่วนแรกเนี่ยที่เราเห็นฉาบทาไว้คือตัวธรรมบทตัวภาษาบาลีในตัวธรรมบทตัวเรื่องของพุทธวจนะบ้างอัตตกะาบ้า ง, าางส่วนที่ลึกซึ้งเข้ามาอันที่2คือตัวภาษาบาลีส่วนส่วนที่3ที่เราเห็นลึกเข้าไปอีกนั่นคือการนําไปใช้งานและส่วนที่4นั่นก็คือเรื่องของปริยัติเนีเราเรียนรู้ปริยัติใช่เราจะทําปริยัติให้ไม่เป็นงูพิษได้คุณต้องนําไปใช้งานอย่างถูกวิธี นี่คือส่วนที่2ส่วนที่3คุณรู้ภาษาบาลีเอาไปใช้ในการรู้ภาษาบาลีภาษาบาลีนี้อาิจี้กับตัวพุทธวจนะอันนั้นเราก็เข้าใจวาบขึ้นมาเอาไปจี้กับส่วนที่เป็นอย่างอื่นเราก็เข้าใจวาบขึ้นมาวาบขึ้นมาแต่เราก็อยู่ที่เราเอาไปใช้อะไรตอนนี้เ้าสอนอยู่ในหลักสูตรเขทาทำบทอาไปจี้ตรงนี้ก็สว่างวาบขึ้นมาก็ เ, าเท่านั้นเองแต่ถ้าให้เรามองมองมุมกว้างขึ้นไม่ได้มองแคบนคือถ้าเราไม่ได้ทำํำย้ำอีกทีหนึ่งเราไม่ได้เรียนตรงนี้ 10% เราก็ไม่รู้ เราไม่ได้เรียนร้อตรงนี้ 10% เร์เราก็จะพลาดไปคุณนั่งสมาธิสินาทีอย่างเงี้ยคุณบอกจิตคุณสงบ2นาทีอีก8นาทีไม่สงบกงั้นจัไม่ทํำก็แล้วกัน2นาทีคุณก็ไม่ได้อย่างน้อยยังคุณยังได้2นาทีเหมือนกันเราเรียนเรายังรู้ส0บร์ุทธวจนะตรงนี้เรายังมีความสามารถอืน่นๆเพิ่มขึ้นมาด้วยแต่เราก็จะมีข้ออีกข้อหนึ่งที่ว่าอาจะมีพระพูดกันว่าพระปฏิบตัติคุณไม่ต้องเรียนแล้วมันไม่เกี่ยวไงอยู่ที่ว่าคุุณณเเรรรีย น, นยคคอาคาาวมู้ไไปทํะ คุณเรียนเนี่ยคุณเพิ่มความสามารถตรงโคตส่วนที่เป็นปริยัติในขณะที่พระปฏิบัติเนี่ยเขาจะเพิ่มความสามารถของท่านในส่วนที่การนําไปใช้งไงเพราะฉะนั้นถ้าท่านเพิ่มต้องการความสามารถในส่วนที่นาไปใช้คุณปฏิบัติในขณะเดีวยวกันคุณเพิ่มความสามารถส่วนที่เป็นปริยัติทั้งบูรและบุญมันเก่งมันก็ดีอ่ะเพราะฉะนั้นที่พูดตรงนี้เนี่ยก็เพื่อพูดให้เข้าใจนะว่าเราไม่ได้ว่าเลิกล้างจากสิ่งที่เป็นพุทธวิชาแต่พูดให้เข้าใจว่าทําไมเราถึงไปศึกษาตรงนี้เนื้อเรียนไปมันก็ดีนําไปใช้มันก็ดีเพ่าจะียนต่อไปให้ แห้มันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็ไม่น่ามีปัญหากันังครับอาจารย์นี่คิดว่ามีพไปได้อครับน่าจะไปแล้วพอทูๆไต่ๆไม่ได้ทะลุดุกังครับประ็นที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาพระวาชนะ้นต้องเพิ่มประเด็นหนึ่งว่าครับผมถ้าเรายึดถือในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวอืมนะเรากลัวในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเป็นทุกข์แต่ประเด็นถ้าเราเราก็ให้มีความ ไม่มีความยึดถือเราไม่ต้องยึดถืออะไรมากครับเรายึดถือสิ่งใดมากก็จะไม่ดีเราก็ทําในสิ่งที่สร้างสารรค์มีประโยชนก์ก็คิดว่าโอเคในถ้าอยู่ในมักรอย่างบางคนยึดถือในเรื่องของวิธีการมากเกินไปอย่างเงี้ยอย่างสมัยก่อนก็เราก็อีกเหมือนกันเราวพต้องอนามานสติเท่านั้นเราก็จะมีความคิดว่าโอ้ยวิธีการถ้าคุณไม่ใช้อนาปานสตินี้ไม่ได้นังกระบวนการทําให้เราไปยึดถือในวิธีการ พอไปยึดถือในวิธีการแล้ววิธีการอื่นเราก็คิดว่าไม่ดีแต่พอคิดว่าไม่ดีเราก็พลาดโอกาสในการที่จะรู้ของดีที่มันอาจจะแฝงมาอยู่ก็ได้ครับเนะพอเรายึดถือในวิธีการปุ๊บนั่นอาจจะเป็นความทุกข์ของคุณทันทีอเป็นอุปทานอุปทานคือความยึดถือแต่เรายึดถือมากก็ไม่ดียึดไม่ใช่ว่ายึดถือน้อยดีนะยึดถือน้อยนิดก็ไม่ดีคือความยึดถือไม่ดีเลยครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามยิ่งมากยิ่งทุกข์มากยิ่งน้อยก็ทุกข์ น้อยก็ทุกอยู่แล้วยิ่งมากนี้ยิ่งโอ้โหทุกมากอที่เราเรียกว่าศี่ลาภประตปาทานไหมครับสี่ลาภประตปาทานนี้หมายถึงความยึดมั่นในศีลพอดที่ที่ไม่ถูกต้องของสมณพราหมณ์เหล่าอื่น อ, อันนั้นคือวัตโกรุหีละมงคลแลต่สี่ลาภประตปาทานก็คือว่ายึดมั่นในศีลพรดนะว่าเรามีความยึดถืออันนี้ยังรวมถึงความยึดถือตัวตนด้วยนะครับความยึดถือในตัวตนคือความยึดถือมีอยู่สี่อย่างไง ความยึดถือในกามความยึดถือในสีและรดความยึดถือในอัตตาตัวตนอแล้วก็อันสุดท้ายก็คือความยึดถือในอะไรทิฏฐิออครับทีนี้อย่างอย่างเรื่องของการยึดถือเนี่ยเหมือนพระพงศอย่างสมมติเรานั่งสมาธิไปปล่อยวางเนี่ยโอปล่อยวางโอ้โหสบายใจมากนั่นน่ะคุณยึดในที่พอเราวางไปนะมันยังยึดไปตรงไอที่วางแล้วนั่นเอง เขาจะมายห็นวุ้ยคุณนั่งสมาธิไปจิตสงบถึงพิจารณาไปเห็นความเกิดดับโอ้ยวางวางวางหมดเลยโอ้ไม่เหลืออะไรเลยมันไปยึดไอ้ตรงที่ไม่เหลือนั่นอะ่ะเอาไปยึดเอ อ, เ, อเข้าใจไหมเข้าใจครับเออเพราะพอคุณไปยึดไอ้ที่ไม่เหลือนั่นอะ่ะมันเป็นยังไงมันก็ยังวางไม่หมดเลยครับมันก็ยังเหลืออยู่เพราะเราต้องวางให้หมดเลยแล้วก็อย่าไปยึดไอ้ตรงที่วางนั้นด้วย เพราะว่านี่แหละคือลักษณะของกิเลสของตัณหามันเลื้อยมันดิดดิ้นมันเหนียวมันเหนืดมันแก้ได้ยากมันพันแล้วมันตลกกับหลังมาพันเราอีกก็ใช่ไหมตัณหาอุตานมีธรรมชาติอย่างนี้ซึ่งก็คือธรรมชาติเหมือนกับจิตนั่นเองจิตมีธรรมชาติอย่างไรตัณหาอุตานก็มีธรรมชาติอย่างนั้นครับเพราะว่าอะไรความรักความน่ายินดีเนี่ยมีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นแหละเป็นเหตุของทุกสิ่งนั้นก็คือมีตัณหา และความรักความน่ายินดีมีอยู่ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นแหละก็เป็นที่ดับไปไม่เหลือของตันหาเพราะฉะนั้นถามว่าความรักความน่ายินดีมันอยู่ที่ไหนได้บ้างในตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมครับก็ใจนั่นแหละมันก็จะมารวมกันที่ใจนั่นแหละถูกไมใช่ครับ ต, ตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่เราจะละได้วางได้เออตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่มันจะเกิดตันหาขึ้นมาและตรงนั้นแหละจุดที่เราจะละได้วางได้อืครับครับเมือ่อเมื่อสักครู่ที่ท่านขอโทษครับ กล่าวถึงเรื่องเรื่องการภาวนาพอดีเลยมีคําถามของคุณทิพย์มาโอ้มาเลยมาเลยครับคือท่านถามเกี่ยวกับเรื่องการแผ่เมตตาคือเวลาท่านทําสมาธิเนี่ยท่านก็เสร็จแล้วจะแผ่เมตตาแบบพุทธวจนะคือบอกจิตไม่มีนิวรณ์ก็แผ่ไปยังทิศหนึ่งสองสามสี่หรือทุกทิศทางแต่ว่าหลังๆเนี่ยท่านบอกว่าเวลาทําสมาธิท่านจะความรู้สึกเป็นอุเบกขาอแต่อุเบกขาแล้วก็ บอกว่าจะมีน้อยครั้งมากที่จิตจะมีปิติอันนี้ก็เลยผมก็เลยไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโอ้ยแล้วคือหมายความว่าบางคนจะเข้าใจอย่างนี้เหมือนพระพงว่าเวลาแผ่เมตตาไปแล้วคุณต้องรู้สึกแบบตัวเบาเอมีผลลุกมีปิติเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน้น้ำตาไหลอะไรองี้ก็อันนี้ก็ก็นี่เป็นอันนี้ไม่ใช่พุรุษวจนะอันั้นนี่เป็นความเชื่อของคุณอ่ะไงต่องอแล้วท่านก็ เหมือนกับว่าพอพอไม่มีปิติก็จะฝืนฝืนความรู้สึกที่จะทำให้จิตเนี่ยมีเมตตาทีเราเข้าใจเรามาเข้าใจเดฟนิชันกันจะหน่อยหนึ่งนะ ค, ความ ค, ความเขาเรียกว่าปัญญัติที่พุทธเจ้าบอกอุเบกขาเนี่ยมีฝรั่งคนหนึ่งก็มาที่วัดป่าดอนไฮโซเขามาถามว่าเวลาทําสมาธิไปเนี่ยนะปรากฏมันก็นิ่งอยู่อย่างเงี้ยเขากลัวปะ่ะเวลาที่ก็สมมุติใบจิตกนิ่งลงไปอย่างเงี้ย ตรงกลางถนนอย่างเงี้ยแล้วรถวิ่งเข้ามาเขาเนี่ยเขาเขาจะทํำยังไงดีเขาจะนิ่งให้รถชนตายหรือว่าเราควรจะออกจากสมาธิดีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเขาเขายังไม่เข้าใจหมอหลวงสมาธิเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายถึงกําลังของจิตใช่ครับคุณมีกําลังจิตหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณจะเลือกในการที่จะวางจิตคุณไว้อย่างไรได้เข้าใจไหมคุณจะเลือกวางจิตคุณไม่ได้ในแดนบวกก็ไดแดนลบก็ได้คุณจะเลือกในการตอบสนองเหตุการณ์นี้อย่างนี้ก็อย่างนั้นก็ได้นี่คืออํานาจจิต ค, คุณมีอำนาจเหนือจิตในการที่จะในคลองแห่งการตริตึกทั้งหลายคุณจะคิดเรื่องนี้ก็ได้คุณจะไม่คิดเรื่องนี้ก็ได้นี่คือคน<ด>ที่มีอำนาจจิตคุณก็จะไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเราเรามีจิตเรามีกำลังคุณจะวางจิตไว้ยังไงอยู่ในอำนาจของคุณคุณจะคิดไม่คิดคิดเรื่องนี้ไม่คิดเรื่องนั้นคิดถึงคนนี้ไม่คิดถึงคนนั้นก็ได้ถ้าคุณมีอำนาจจิตครับก็จะไหมนี่คือสมาธิ <ใ> <ผม S 1> เ <ผม S 1> ข้าใจเนาะทีนี้เพราสมาธิคุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณมีสมาธิคุณจะวางจิตคุณให้มีเมตตาก็ได้คุณจะวางจิตที่คุมีอุเบกขาก็ได้แลนี้ เ, เมตตาอุเบกขาต่างกันยังไงอุมเมบกขาเนี่ยหมายถึงสภาวะที่เมื่อมีอะไรมากระทบแล้วคุณนิ่งเฉยอยู่ได้ครั บ, ค, รบคุณสมมติทำยังไงพุทธเจ้าบอกไว้เป็นพุทธศนะบอกว่าเมื่อจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีใช่ไหมคุณเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเวลามีอะไรมากระทบหมอยย่างเดีว สิ่งอื่นก็เด้งออกไปเลยนี่คือภาษาของคนที่นิ่งเฉย อ, อยู่ได้อุเบกขาเพาะว่าผู้ที่นิ่งเฉย อ, อยู่ได้ครับกว่านิ่งเฉย อ, อยู่ได้คืออุเบกขารา ะ, ะนั้นเราก็ไม่คิดเรื่องอื่นแล้วเรานิ่งอย่างเดียวอะไรมาตูม้มเราก็เฉยเยเหมือนเหมือนกําแพงลูกบอลเด้งมาปุ๊บเราก็เด้งออกไปเด้งออกอเหมือนภูเขาหินน้ําหยดมาปุ๊บเันก็เลยไป ไม่มีอะไรจะไปกระเทื่นมันได้นี่คือสมาบุวจิตของคนที่เป็นอุเบกขาเนื่องจากการที่เขาเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเวลามีอะไรมากระทบก็เป็นผู้ที่นิ่งเฉยอยู่ได้ครับโอเคนี่อยู่เบียานะเมตตาเป็นยังไงเมตตาคือการที่ให้จิตเราเนี่ยมีความรักความเมตตากับทุกสปปรรพสิ่งมีความกรุณาเห็นความเอ็นดูเกือ้อกูลนำดาสัตว์ทั้งหลายครับเวลาคุณมองมดตัวหนึ่งเนี่ยก็มองด้วยความรักความเมตตาเวลาคุณมองเห็น เชื้ อ, อมแมลงตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนกตัวหนึ่งมดตัวหนึ่งคนคนหนึ่งเด็กน้อยคนหนึ่งคนขอทานคุณมองด้วยสายตาแห่งความรักความเมตตาอยู่เหมือนกับมารดามองดูบุตรของตนนี่คือจิตของคนมีเมตตาถามว่าคุณจิตคุณเป็นสมาธิคุณจะเอาจิตของคุณไว้ในตําแหน่งที่เมตตาได้ไหมได้เพราะอะไรไเพราะคุณสามารถสั่งจิตคุณได้ครับถามว่าคุณจะสามารถอย่างสมมติเรานั่งแผ่เมตตาไปอ่ะวันเออฉันแผ่เมตตาขอให้เธอเป็นสุข ค, คุณกำหนดจิตยังไงคือคุณต้องกำหนดจิตเหมือนกับมารดาสนองบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนแดนชันใด น, นนี่คือวิธีการปฏิบัติที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องบุญทิพย์นะครับแผลที่จิต ท, ที่เมตตาเป็นยังไงแม่รักลูกนะคุหมอธนพงศ์แม่รักลนะูกไม่ว่าประเทศไหนคุณไม่ต้องพูดถึงเลยว่าภาษาของคำว่า love คำว่ารักคำว่าอะไรต่างเนี่ยภาษาจีนก็หนีอ่าหนีฮาวเอเอเขารียกว่า ว้านีอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นคําที่แตกต่างกันไปแต่ละภาษาแต่ความรู้สึกนะคือนนนในจิตที่ลึกไปมากกว่าการกําหนดบทเปลียนชนะเนี่ยคือเหมือนกันอารมณ์นั้นเนี่ยพระเจ้าอธิบายในลักษณะของแม่รักลูกอแม่รักลูกไม่ว่าคุณจะพูดภาษาฝรั่งเศสอคุณจะเป็นคนฝรั่งเศสหรือเป็นคนคนเวียดนามเนี่ยอาการที่แม่รักลูกความรู้สึกตรงนี้ที่อยู่ใต้กับบทเปลี่ยนชนะเนี่ยจะเหมือนกั น, นกัน เรามองสิ่งต่างๆให้มีแต่ความรักความเมตตามองศัตรูของเราก็มีแต่ความรักความเมตตาความเ อ, Вы อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มองคนที่เราไม่รู้จักก็มีแต่ความรักความเมตตาความเ อ, Вы อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มอนพวกคนที่เขาตรัสรูร้รักอย่างพระเจ้าเป็นต้น่เีนะครับพอเห็นสัตว์โลกเนี่ยโอ้มันสงสารมันมีความเมตตาว่าโอ้ทาไมเธอยังเป็นทุกข์อยู่คนมองไม่เห็นเนาะอยู่เนาะโอ้จะทํำยังไงเขาพ้นทุกข์มีความรักความเมตตากรุณนนาบุรุตาไปพร้อมๆกันเลยออืครับอื มีความรักกับความความเมตตากับความกรุณาไปคือสงสารนี่ก็คือความกรุณาความเมตตาก็คือความรักนะลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในบทพยัญชนะที่คุณทิพย์พูดถึงการแผ่เมตตาไปอย่างที่ที่หนึ่งสสาใช่ไหมก็ก็เป็นลักษณะนี้นะก็อันนี้ถูกต้องถูกต้องแล้วแล้วที่เพิ่มเติมก็คือว่าให้ทําจิตเหมือนมารดารักบุตรคนเดียวที่เกิดในตน อันนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมาแล้ว ค, ความรู้สึกของความเมตตาคือความรักนะที่ไม่มีประมาณนะรเราเป็น unconditional love unconditional love ค, คือคไม่ต้องการหวังผลอะไรตอบแทนนะสมมติเราบอกเรารักภรรยาของเราเรารักแฟนเรายังไม่แต่งงานใช่ไหมใช่ผรักเธอันรักเธ อ, เธ อ, เ, ธอเธอก็หวังว่าให้เขาพูด จันรักเธอด้วยเหมือนกันหวังการรักตอบอันนี้ยังมี expectation ยังมีไม่ใช่ u n conditional love แต่จริงแต่มารดาเนี่อรักลูกอย่างที่สุดชีวิตตัวเองก็ยังสละได้ความรักอย่างนี้แหละคือความความรักความเมตตาควาเมตตาะฉะนั้นถามว่าคุณอยู่ในฌานหนึ่งหรือฌานสองหรือฌานสามหรือฌานสี่ถามว่าคุณจะทำจิตให้มีความรักควาเมตตาได้ได้ได้ อย่สมมติคุณอยู่ในฌาน4ี่สมมติคุณอยู่ในฌานสี่สมมุติคุณเข้าฌาน4ี่เป็นคุณทําฌาน4ี่อย่างดีคุณคุณมีความเชี่ยวชาญในการที่จะเข้าไปอยู่ในฌาน4ี่อยู่แล้วใช่ไหมคนที่ไปอยู่ในฌาน4ี่คืออะไรกูคนที่มีอุเบกขาอุเบกขาอ่ะอุเบกขาเป็นคนที่มีอยู่ละสุขและละทุกข์เสียได้เป็นผู้ที่อยู่ในอุเบกขาอุเบกขาในชนิดที่ว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์จริงๆรฌานสก็ได้อุเบกขาแล้วนะแต่ยังมีสุขที่อยู่ในอุเบกขาเจืออยู่ ดังนี้นพอคุณมีอุเบกขาแล้วอุเบกขาคือความทิ้งเฉยใช่ไหมมีอะไ ร, รมากระทบขาคุณจะไม่ปวดหล่ะลมหายใจนี่คุณแทบจะไม่รู้สึกเลยเพราะว่าไอ้ลมหายใจนี่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุศอุปสักเป็นเส้นหนามของชาสี <4. S 1> นะลมหายใจจะเบามากจนแทบไม่มีแล้วก็ทั่วตัวทั้งตัวเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่ถูกอุเบกขาไม่มี ทัวตัวมีแต่อุเบกขาหมดหมายความว่าอะไรหมายความว่าอาการปวดอาการรู้สึกอะไรต่างๆสักหน่อยหนึ่งไม่มีเข้าใจไหมเพราะว่าปวดมาปวดไม่ได้ปวดทําไมไม่ได้เพราะว่ามันอุเบกขาแล้วมากระทบก็นิ่งเฉยอยู่ไม่ถูกไม่สุขอ่าอย่างสมมุติถ้าเรายังไปรู้สึกถึงความสุขความทุกข์นี่คุณจะไม่ใช่อุเบกขานะอก็ไม่ใช่ฌานสี่อ่าเออเัาไม่ใช่ฌานสี่แล้วนะเพราะฉะนั้นจิตแบบนี้เนี่ยคุณจะน้อมไปให้จิตแบบนี้มีเมตตาได้ ก็เข้าใจหรือเปลไม่รู้เข้าใจครับเข้าใจเนื้หมาแล้วผมเข้าใจอย่างฌานก็เป็นเรื่องเหมือนสมาธิซึ่งเป็นความสงบเป็นแต่ละระดับใช่ไหมครับใช่ครับอย่างกรณีนี้ถ้าฌานสูงขึ้นเนี่ยคือกําลังของจิตมากเนี่ยการแผ่เมตตาจะมีอันสงมากอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถจะบังคับจิตควบคุมจิตพูดบังคับก็จะไม่ถูกลราบางคนจะคิดว่าเป็นการกลมจลิ่นบังคับไม่ใช่แต่เป็นการควบคุมจิต ให้วางจิตของเราเนี่ยไปอยู่ในความเมตตาของเราเพราะฉะนั้นได้นานได้ต่อเนื่องได้ลึกนั่นจะทําให้การปฏิบัติการแผ่เมตตาของเราเนี่ยได้อย่างเต็มที่กลับนี่นะมีกําลังของจิตมากใช่ัหมครับทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเมตตาในในแง่หนึ่งที่สามารถไหลไปสู่เรื่องของอรูปสัญญาสมาบัติได้ครับเอ่อขอไปเป็นเป็นเรื่องของสุภวิโมก ไม่ใช่อรูปประชานอรูปสัญญาสมาบัติครูพุทธเจ้าเคยพูดถึงขอทราบความหมายนิดนึงไหมครับอาจารย์สุภวิโมกนี่คือการดับไปของการทําความของสวยงามสุภะนี่ก็คือของสวยของงามอสุภะที่เราพูดกันใช่ไหมสุภะสุภะเนี่ยคือการทยของไม่สวยไม่งามเพราะฉะนั้นสุภะก็คือของสวยงามแล้ววิโมกก็คือว่าความถึงที่สุดความดับไปก็ได้เพราะฉะนั้นสุภะวิโมกก็คือเป็นที่ พระเจ้าเคยพูดถึงเมตตาเจโตวิมุตตเนี่ยชื่อว่าเป็นธรรมที่มีสุภวิโมกเป็นอย่างยิ่ง mm hmm. นะั่คือวิโมกนี่คือจบละครับคือทำยังไงถึงตรงนี้ก็คือว่าคุณเริญเมตตาเจโตวิมุตต์ไปด้วยแล้วก็ทาให้เป็นโพชฌงค์ทั้งเก็ใช่ครับอ่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์นะที่มีเมตตาเจโตวิมุตตด้วยครับนะอันอาศัยวิเวกวิราคานิโรธอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางเนี่ย แล้วก็ถ้าสามารถทำในใจซึ่งสิ่งปฏิกูลไม่ปฏิกูลให้เป็นอุเบกขาสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นปฏิกูลอะไรต่างเหล่านี้ได้ห้าอย่างเนี่ยนะออันนี้ก็ชื่อว่าเธอนั้นก็สามารถทําให้สุภวิโมกเป็นอย่างยิ่งได้อืครับซึ่งตรงนี้ก็อถ้ายิ่งอธิบายไปคนไม่เคยทํานี่ก็จะยิ่งงงงงอจะยิ่งงงแตใ่ให้ทราบไว้โดยบทเบญชนะที่พระเจ้าได้มีพระสูตรนีนะ้พูดถึงความต่อเนื่อง ขึ้นไปความเชื่อมโยงของ เ, อ เ, อเมตตานะคือพระมิหารทั้ง4นั่นแหละันะ บ, บโพชงทั้ง7จนะ็แล้วก็วิโมก ค, คือมีวิโมกอย่างนี้แล้วก็ยังมีรูปสัญญาสมาบัติขั้นอื่นๆไปด้วยในกรณีของกรุณามุทิตาและอุเบกขาครับแสดงว่าเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ครับข้อธรรครับเราก็<ๆ>าก็พูดถึงในแง่ที่ปฏิบัติได้ตรงนี้ก่อนนะคือการทําสมาธินี่คือการที่เรามีอํานาจจิตสามารถกําหนดจิตเราวางไว้ตรงไหนได้ การแผ่เมตตาสรุปประเด็นนี้ให้ฟังนะว่าการแผ่เมตตานี้ไม่ใช่หมายว่าคุณต้องคนลึกน้ําตาไหลหรือตัวสั่นไม่ใช่นั่นคือความรักที่แม่มีต่อลูกนนคนคที่เคยมีลูกผ่านการมีลูกเนี่ยที่ไม่ต้องบล็อกหลังไม่ต้องผ่าเนี่ยคุณออกมาธรรมดาธรรมดานี่นะครับแล้วพอลูกมันอุแหว่ออกมาแรกเนี่ยโอ้โหแม่ดีใจมากเลยยิ่งลูกมาอยู่ในอ้อมกอดของตัวเองเนี่นะ โอ้มาแล้บยความเจ็บปวดทั้งหมดทั้งสิ้นมันหายไปหมดห<า>เป็นเปลิ ด, ดทิง้งเลยคใช่ป่ะโอ้จิตอย่างนี้มันมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่มเป็นจิตที่ธรรมดานะเป็นจิตที่ควนยอกย่องสรรเสริญเป็นจิตที่เป็นมีอุปการะต่อต่อคนอื่นมากคิดดูเราเป็นคนธรรมดาเธอฟังอยู่อ่ะเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งยังมีคนรักเรามากขนาดนี้เนี่ยตอนเกิดมาโอ้ย ตัวนี้ก็ไม่ได้จะแบบน่ารักน่าดูนะคือเมือกเต็มไ ป, ปหมดคุณไม่ใช่พระเจ้านะออกมาไม่มีเมือกอะ่ะครับไม่ใช่พระเจ้ายังไม่เป็นพระเจ้าไม่ใช่บริษัทที่เป็นชาติสุดท้ายบริษัทนะอืตัวคุณก็มีเมือกเหม็นด้วยแล้วก็ยังเเออเ ค, ครับแล้วก็โอ้หน้าตาก็ไม่น่าดูครับเอแต่แม่คนฝรั่งเขาอโอ้ beautiful beautiful เพราะว่าความรักความเมตตาของเขาที่ที่มีครับจิตแบบนี้ไม่ธรรมดาน้ำมันดาบิดาเราควรจะยกย่องเราควรจะให้เกียรติเราควรจะสันเสริญเราควรจะประคบประงมเราควรจะอินดูเราควรจะบูชาเราควรจะหาสิ่งใดๆมาให้อยู่อย่างไม่อัดอั้นอไม่มีประมาณไม่ไม่มีประมาณเพราะจิตท่านนั้นเป็นจิตที่ไม่มีประมาณนะตรงนั้นนะครับใช่ครับออันนี้ก็พูดถึงเรื่อง เรื่องเมตตาเนาะเมตตาครับเอาต่อไปคุณมรพงศ์ครับก็มีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของวินัยของพระนะครับเราเคยพูดว่าเราจะพูดถึงเรื่องของวินัยกันสักหน่อยหนึ่งด้วยก็คืออย่างกรณีของพระกับการเกี่ยวข้องกับเงินหรือสิ่งที่แทนเงินนะครับพวบัตรเครดิตบัตร ATM อย่างเงี้ยเช็คเช็คอย่างเงี้ยท่านไม่ทราบมีวินัยกันผู้เจ้าตรัสไว้ยังงี้เอาผู้เลี้ยงาชนก่อน นหนึ่งพิกษุนได้รับก็ดนะีรับเองนะหรือให้คุณรับนะหรื อ, อพอใจในทรัพย์ที่คุณหนึ่งเขาเก็บไวไ้ใหนะ้หนึ่งพิสูจน์ได้รับก็ดีให้รับก็ดีหรือยินดีในทอัและเงินอันเขาเก็บไว้ให้นั้นเป็นอาบัตชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปาจิตตีนั้นแล้วอาบัตชนิดนี้นะจะต้องสละสิ่งของนั้นก่อนนะโดยที่สละสิ่งของนั้นก่อนแล้วคุณถึงจะหมดจากอาบัติ สมมติคุณไปอาบัตอย่างเงี้ยคุณผิดอาบัตใช่ไหคุณไปโปรงแต่ว่าสิ่งของเรล่านั้นยังไม่ได้รับการสละออกไปนะอันนี้ก็ยังถือว่าอาบัตยังไม่ตกความผิดนั้น<อ>ยังไม่ยังไม่หมดหมลทินมานครั บ, รบนแะล้วเมจะเกี่ยวข้องกับอันหนึ่งอย่างนี้ว่าอันหนึ่งพิสูจใดนะใช้เงินนะคือรูปยะเนี่ยในการจับจ่ายซื้อของนะอันนี้ก็ไม่ถูกไม่ได้ นะสิ่งที่ซื้อมานั้นถนะือว่าเป็นนิสกิยาปาัจจิตินิสกิยาปาัจจิติคืออบตัตปัจจิติที่จะต้องสละสิ่งคลองนั้นออกไปด้วยแล้วมันจะเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ครับถึงแม้คุณมีเงินคือคือห ม, มายความว่าพระมีเงินไม่ได้ครับถึงแม้มีผิ ด, ดตั้งแต่จับสมมุติแล้วเออผิด ต, ตั้งแต่เดี๋ยวเการจับนี่มันก็อันนี้ไม่ต้องพูดถึงการจับคือการจับมันเป็นอย่างนี้สมมติบางคนอย่างพระอธิบายเป็นพระใช่ไหม อาตมานี่คือแบบจับเงินเนี่ยโอ้โหเราจะเป็นกลัวจนกระทั่งเหมือนกับจับไฟอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ใช่อย่างนั้นหมอหลวงคือเงินเนี่ยอย่ารับเองไม่ได้ยินดีให้เขารับไม่ได้นะให้คนอ่นรับแทนไม่ได้นี่คือพระวุศานาบอกอย่างนี้ก็ใช่ไหมยินดีให้คนอื่นรับไม่ได้นี่ประเด็นนี้สมมุติว่าอย่างผมจะปรารถนาจะทําบุญกับวัดเนี่ยแล้วก็จะปรารถนาให้วัดอย่างนี้ อ๋ออันนี้มันก็จะมีช่องทางออกอยู่คือตอนนั้นก็มีคร้คราชกที่เขาจะมาถวายของให้พิสุกพิสุกบอกไม่รับรับเงินทองเรารับไม่ได้พรนะพุทธเจ้าก็บอกว่าเออไม่รับเงินทองก็ได้ดแนะีแล้วก็คือให้เศรษฐีนั้นก็เลยมาโมโหโ ห, หรืออะไรสักอย่างในอย่างหนึ่งเนี่ยพรพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้เธอยินดีในปัจจัยสีที่เกิดจากทองและเงินนั้น แล้วทีนี้ผมรับไม่ได้แล้วจะไปยินดีในปัจจัยสีที่เกิดจากทองแล้วเงินนั้นได้ยังไงอออืเหมายความว่าคุณก็รับไม่ได้อยู่ดีแล้วแบบคือรับนี่ไม่ใช่หมายว่าจับนะรับคือหมายความว่าคุณจะบอกว่ารับรับแล้วรับแล้วอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้นะเพราะฉั้นรูปแบบที่มีเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ในหมวดวินัยข้อที่หนึ่งคือหมวดของนิสกีนิสกีปาจิตเตีะข้อที่สิบอ็ดหรือสิบนี่แหละแล้วจะไม่ปิดที่บอกว่า มีครบบรบาดีคนหนึ่งก็จะมาถวายจีวรให้พระโดยเอาเงินมาใหนะ้พระเขาก็บอกว่าเออเงินเราไม่รับเรารับแต่จนะีวร<อ>ขรบบรดบดีคนนั้นก็เลยบอกว่าเอางี้ขบบรรดาดีต้องไปซื้อเป็นจีวรมาถวายเป็นจีวรขรบบรดาดีก็เลยบอกเอางั้นผู้ทําการแทนสง์มีไหมผู้ทําการแทนสง์หรือใครที่เธอจะชี้ได้มีไหมนะที่เป็นอุบาสกนะหรือว่าอุบาสิกาที่อยู่ในวัด อยู่ใน อ, อวาวาสที่ทําการแทนส่งได้และพระก็จะบอกว่ะคนนี้เป็นผู้ทําการแทนสงของพิชิตทั้งหลายนะ<ม>คนนี้ก็จะต้องเอาเงินเนี่ยไปให้คนทําการแทนส่งนี้<ม><ม>นผู้ทําการแทนสงนี้ก็จะไปจัดของตามที่สมควรแก่สมณะจะบริโภ ค, คแค่นั้นเองมสมควรแก่สมณะจะบริโภคเพราะานั้นสมณะต้องการอะไรก็ไปบอกคนนี้อย่างเงี้ย คนนี้ก็จะทําการแทนสงให้คือคไม่ได้ดสมมติรตรงนี้มันจะไปเสี่ยงกับตรงนี้นะว่าให้ผู้อื่นรับหรือยินดีทอนและเงินอันผู้อื่นเก็บไว้ให้อ้าวฮัลโหลสิใช่ครับคุณ<ช>เอาให้สังคีหรือว่าผู้ทําการแทนสงเก็บไว้ให้แล้วถามว่าพระยินดีอะไรพระยินดีตัวเลขที่อยู่ในธนาคารโอ้โหดูสิมันกี่แสนกี่ล้านโอ้โหดีใจเว้ยแอดผิดเลยแอดผิดครับคุณผิดเลยพระนี่อาบัติเลย แต่ถ้าเรายินดีปัจจัยสี่ที่สมควรแก่สมณจะบริโภคอันเกิดจากเงินนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เรายินดีได้เรารับได้ยินดีได้ครับรับคือรับปัจจัยสี่อย่างยี้เป็นต้นนะครับทีนี้ว่าสิ่งของพวกนั้นนะสิ่งที่ใช้แทนเงินทุกอย่างก็จะจะใช้ไม่ได้นะในการซื้อขายซื้อของอะไรเงี้ยก็คืออย่างบัตร ATM บัตรเครดิตเช็คนย่เงี้ย ก็คือเหมือนกันก็คือไม่ห้ามยินดีในในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับยินดีตัวเลขยินดีอะไรให้คนเหนือเขารับไม่ได้หมดไม่ได้หมดเลยอแต่พระรนี้ก็ต้องยินดีในปัจจัย4ี่ที่เกิดอันควรแก่สมณเจบริโภคที่เกิดจากสิ่งนั้นได้เช่นถ้าเกิดเหมือนจีวรขาดแล้วก็ได้จีวรใหม่มาก็ยินดียินดีพอประมาณอย่างนี้ได้ใช่ไหมว่าเออเป็นจีวรใหม่ อ, มอย่างนี้ใช่ไหมครับยินตามเหตุปัจจัยอะนะ ครับเอว่าเนื้อภาพเป็นยังไงอะไรก็สามารถสั่งบอกผู้ทําการแทนส่งนี้ครับเพรา<ม>ะฉะนั้นเรื่องตัวเลขเรื่องการทำบัญชีอะไรผู้ทําการแทนส่งนี้คุณจะต้องเป็นคนทําอืออคุณจะต้องเป็นคนทําแหละเพราะคุณได้รับมอบหมายจากจากสง่งใช่ไหมสง่งครับซึ่งพระจะไปทําบัญชีเนี่ยมันสมายคิดว่ามันก็ไม่ควรเพราะคุณก็ไ ม, มไม่ได้รับอยู่แล้วอ่ะครับอรับก็ดีให้คุณอื่นรับก็ไม่ได้เงี้ยครับอืม แล้วอย่างกรณีเหมือนกับว่าถ้า อ, อ, อยู่ที่เจตนาของการจับอย่างเช่นคนใส่อาจจะมีซองซึ่งพระพระไม่ทราบว่ามีเงินอยู่ข้างในแล้วรับซองอย่างเงี้ยก็เป็นเจตนาใช่ไหมครับเพราะถ้าพระคือ <c oughs> ในซองนี่มีเงินปิดซอง <c oughs> แต่พระพระไม่ทราบอาจจะรับมาก่อนแล้วก็ อ่ะพอเปิดดูเอามีเงินแล้วก็รีบสละอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ถึงเช่นกันใช่ใ ช, ใช่สละได้คือจริงๆอย่างสมมุติรายการธรรมารับรุณเนี่ยนะที่อาจมาจับเนี่ยก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่เจอนี่ก็สองครั้งแล้วนะที่เอาเงินเนี่ยใส่ซองมามแล้วเราก็ไม่รู้ข้างในมแีแล้วก็เปิดดูเอ้าเฮ้ยนี่มันเงินสดนี่หว่าอ้ห ย, ยาจับแล้วเหมือนไฟลวกรีบปล่อยโอ้ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนของเราก็จะต้องอ่าสละอันนี้ออกไป นะสละทํากลางสงก็ได้นะหรือบอกใครบอกคุณใดคนหนึ่งว่าอันนี้สลากไปแล้วนะวัยวจิกรเขาก็ต้องไปจัดกา ร, ท, การทําการแทนสงไป อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาจมาอาบัติไหมไ ม, ไม่มีเจตนานี่ยครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เป็นอาบัติแต่ของนั้นต้องสละนั่นคื อ, อไม่เป็นไม่เป็ น, นไม่เป็นปาจิ ต, ตีแต่เป็นนิสกีนั่นคือเป็นอของนั้นต้องสละแต่ว่าเราก็ไม่เป็นอาบัติเพราะเราไม่ได้ไปจงใจที่จะทํำยินดีในสิ่งพวกนี้ครับ อย่างกรณีของเว็บไซต์เพ a m a ธรรมะอมย่างเงี้ยก็มีคุณหมอรพย์พงค์เป็นวิทยาวจกรคือผู้ทําการแทนสงฆ์มาคุณหมอรัพย์งศ์ก็จะมีหน้าที่ในการที่จะใครต้องการจะช่วยเหลืออะไรตอนนี้คุณหมอรพย์พงศ์ก็จะเป็นคนเป็นทุระแทนให้อย่างเงี้ยแทนที่จะจัดหาของที่สมควรแก่สมณจะบริโภคแต่เงินและทองนี่ไม่สมควรแก่สมณจะจะจะรับไว้จะบริโภคคุณไปยินดีตัวเลขในธนาคารว่าเท่านี้แสนเท่านี้ล้านอันนี้ไม่ได้ อ๋ออันนี้ไม่ได้คนอื่นชื่อคนอื่นชื่อเราไม่ได้อแต่ยินดีในทองอ๋ายินดีในปัจจัยสี่อันควรแก่สมณะจะบริพกได้ครับอืมเะฉะนต้องมีคนจัดการแทนอนะนะเรื่องการดงงบประมาณเรื่องการจัดจ่ายใช้สอยนนั้พระจะใช้รูปแบบที่จะใช้คือต้องบอกวิทยุชกรว่าเออเราจะใช้สิ่งนี้อมีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ี่ถ้าไม่พอเราก็อดทนกัไปก่อนถ้าพอเราก็ดําเนินการต่อไปอย่างเงี้ย ครั บ, รบมันมีอีกประเด็นหนึ่งคุณหมอรัตพงศ์เกี่ยวกับเรื่องของเงินตรงนี้เกี่ยวกับ ว, ยวัยวาชกรนะนะสมมุติว่าเราบอกว่าเอาเงินให้วัยราชการกรคนนี้เป็นผู้ทําการแทนสงเป็นสังฆลีแล้วแล้วมันต่างกับไปฝากธนาคารยังไงสมมติหมอรัตพงศ์มีบัญชีธนาคารใช่ไหมธนาคารเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ทําการแทนของหมอรัตพงศ์นะเก็บเนะงินให้นะอจริงครับแล้วถามว่าวัยวาชกรต่างกับธนาคารไหมงี้วัยวาชกรเป็นธนาคารของพระพระไปเบิกเงินจากวัยวาชกรได้ อย่างนี้เหร อ, อ ม, มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าอธนาคารเนี่ยเขาให้เงินคุณเขาให้เงินสดคุณใช่ไหมคุณไปเบิกเงินสดตามจํานวนที่คุณมีคุณดูเล่นธนาคารคุณยินดีนะคุณสบายใจแล้วฉันมีเงินตั้งนี้ล้านโอ้ยแก่ฉันยังมีความสุขดีอยู่หรือว่าอย่างงี้นะแต่พระนี่จะไม่เหมือนกับไวยาทุกษกรธนาคารนี่จะไยาทุกษกรนี่จะไม่เหมือนกับธนาคารนะตรงที่ว่าพระเนี่ไปเอาอะไรจากไวยาทุกรไม่ได้เอาเงินนะเอาของควรแก่สมณะเจริโภค แล้วพระก็ไม่ได้ยินดีตัวเลขที่อยู่ในที่ไวยาัจกรวัยวัจกรนั้นจะเก็บไว้ให้โอ้ผู้เก็บไว้ให้มันก็ไปขัดแย้งอพระวจนะ่ก็พูดว่าไปาตัวเลขที่วัยวัจกรนั้นจะดําเนินการในงบประมาณส่วนนี้ให้ค่าว<ด>นี้ถูกเข้าใจเนาะกข้าใจครับอ่าก็คือว่าหนึ่งค า, ารวะความแตกต่างคือว่าค า, ารวะเนี่ยยินดีตัวเลขที่อยู่ในธนาคารที่ธนาคารเก็บไว้ให้นะสองธนาคารเก็บไว้ให้นะสาม คุณไปเอาเงินสดออกมาจากธนาคารถอนเป็นเงินออกมาแต่วั ย, ยวัชกรจะเป็นงี้คือหนึ่งวา ย, ยวัชกรเนี่ยจะเป็นพระเนี่ยจะไม่ได้ยินดีเงินตัวเลขของเงินที่วั ย, ยวัชกรเก็บเอาไว้ครับจะต้องไม่ยินดีตรงนี้สองพระนี่ก็จะไม่ได้เงินสดออกมาจากวั ย, ยวัชกรอสามวายายวัชกรเนี่ยไม่ได้เก็บเงินแทนไม่ได้รับแทนแต่เป็นผู้ดําเนินการในเรื่องปัจจัยสี่ที่สมควรแก่สมัมภาระ คธนาคารเนี่ยเป็นคนเก็บเงินให้คุณเข้าใจไหมครับแต่วัยจุฬากรไม่ได้เก็บเงินให้พระนะเป็นผู้ดําเนินการแทนใช่กิริยาในการดําเนินงานแทนเนี่ยหมายความว่าไงกิริยาในการดําเนินงานแทนคือคุณต้องไปจับจ่ายมาเป็นสิ่งคล้องที่ควรแก่สมรจิตริโภคตรงนี้ถึงเรียกว่าผู้ดําเนินการแทนสงเข้าใจไหมคือคือธนาคารเนี่ยคุณเขาคุณให้อะไรเข้าไปเขาก็เอาเงินงันคืนคุณมาเป๊ะๆคุณฝากเข้าไปแสนหนึ่งเขาก็คืนคุณมาแสนหนึ่งเวลาคุณไปถอนวัยจุฬากรเนี่ย คนที่เอาเงินเข้าให้เนี่ยเป็นผู้ที่คาราบดนีผู้มีจ่ายเป็นกุศลครับแต่คนที่เอาเงินออกมาไม่ได้นะอ่าคือของที่ออกมาจะจะไม่ใช่เป็นเงินอะ่ะจะเป็นสิ่งของ<ม><ม>ที่ควรแก่สมณเจริญพวกเพราะฉะนั้นวิทยาวัสด ก, ก็จะไม่เหมือนกับธนาคารตรงนี้ครับอืมแบบ น, นี้นะ<ม><ม>นี่คือประเด็นเรื่องของวิยวัสดุเปรียบเทียบกับธนาคารอย่างกรณีของเงินนี้โอเคชัดเจนสมมติทองนะครับท่านทองอเออคนก็ ภาษาโลกเงินทองมีคนมาถวายทองอย่างนี้จะรับได้ใช่ไหมครับออื ค, <น>คือมันก็เป็ น, นเป็นนิสกีนะต้องสละออกอคื อ, อทองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัตถุอนามาตด้วยเพชรนินจินดาทองเงินเงินนี่หมายถึงซิลเวอร์นะครับเครื่องประดับอะไรทั้งหลายแหล่พวกเนี้ยเป็นวัตถุอนามาตทั้งสิน้นวัตถุอนามาตก็คือวัตถุที่ไม่ควรจะต้องแต่เป็นของที่ไม่คู้ควรแก่สมณะครับ อ, อคือสมณะเนี่ยไม่มีเงินหมอพรพงศ์ ครับคือวิธีการหาเลี้ยงชีพของสมณะเนี่ยคือคุณไม่ใช่ว่าไปซื้อข้าวหมูแดงมากินกลับก็จะไหมคุณไม่ใช่ว่าไปเทศเทศได้เงินมาเฮ้ยมีเงินเว้ยวันนี้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟมากินเงนี้ยมันไม่ได้ครับแต่วิธีการหาเลี้ยงชีพของสมณะคืออะไรคุณไปบินตบาดเนีเราไปบินตบาดเสร็จปุ๊บได้อะไรมาเราก็กินแล้วทำไงถ้าเกิข้อด้วยค า, วารวะเอาก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเราก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้จำแจ้งมีอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามอันนี้เราเกี่ยวข้องกันระดับนี้ นะ<ม>เขาครับเขาเออ่ให้อะไรมาก็ต้องเป็นของที่ควรแก่สมณะจะบริโภคนะแก่ตนเองถ้าไม่ควรแก่สมณนะจะบริโภคทํายังไงเราจะเอื้อเฟื้อเราได้ไห ม, มงมงกันนะอย่างใ ห, <ม>ให้ให้เล่ากับพระมาอย่าเงี้ยแต่เฮ้ยให้เล่ากับพระนี่คือพระรับมานี่ยังไม่เป็นอาบัตินะแต่เงินหรือทองเนี่ยถ้าพระรับนี่ก็เป็นอาบัตทันทีองอาบัตทันทีครับแล้วก็ให้ให้ให้วัทยวัชกรเป็นผู้ทําการแทนสงนก็ให้ไป แล้วก็มันแจ้งให้ทราบว่าเอาได้ปรนนธาอะไรไว้เราก็จะได้ทราบว่ า, าไปเรียกจากมายาวัจกรพรุนี้พรุนี้อย่างเงี้ยครับถ้าเราเวลาที่เราต้องการครับอ๋อเล่านี้มีคนถวายนี่ก็คือก็ไม่สมควรปฏิเสธตั้งแต่เริ่มเลยนะครับว่าอันนี้ไม่สมควรแก่แก่สมณะดีว่ายัางไงมันก็เป็นอย่างนี้คือภิกษุเนี่ยเวลาป่วยมันก็ฉันอะไรได้นะ อะไรที่มันจะดับเบทนาได้ก็สามารถได้แต่ว่ายาต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีอายุทีนี้มันก็จะไม่เหมาะสมละถ้าผมว่ามีเหล้าเกี่ยวไว้ในพุทติมีแอลกอฮอล์กับเนาะตอนเนื่องจากเหล้ามันจะมีเล่กบุหรี่อีกอ <c oughs> บุหรี่นี้ก็จัดอยู่ในหมู่บุหรี่นี้โดยพระวจนะก็จะไม่ได้ให้พระเลิกนะ อ uh, ไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องไม่สูบหรืออะไรอย่างนี้อ๋อไม่ได้กล่าวถึงใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้กล่าวไว้อแต่มันเป็นงี้เรื่องของบุหรี่มเป็นงี้อย่างเวลารานั่งสมาธิจิตรวมลงไปเงี้ยครับมันก็จะมีดูบุหรี่ก่อนดูบุหรี่ก่อนนะใครจะเป็คนติดบุหรี่อ๋อคนติดบุหรี่นี่จะรู้ดีเลยเหมอรัตพงศ์ครับเ<อ><อ>วลาจิตจะสงบสงบลงไปดูบุหรี่ก่อนดูบุหรี่ก่อนนะ อเป็นงนี้นะคนคนดูบุหรี่มาเล่าให้ามาฟังเขาเลิกเลยพลาเองน่ะนะครับเพราะมันมันก็ไม่ดีเป็นกิเลสขั้นละเอียดไหมครับก็ยังไม่เห็นแง่ดีนะเพื่อนแต่โดยพระธรทศนาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะว่าิดหรือว่ามีอาบัติอะไรใช่ไหมครับแง่ภาวนาก็จะมีแง่มุมตรงนี้ คแล้ว ค, คือเราเป็นตกเป็นาธาตุของมันเราตกเป็นาธาตุของภาษาที่เกิดจากจากสิ่งนี้เราก็เป็นาธาตุของมันพิที่การก็คือว่าละสละเวทนาตรงนั้นให้ได้ซะครับโอเคก็ค่อนข้างชัดเจนถ้าเกิดอท่านผู้ฟังแฟนรายการมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยส่งมาได้นะครับคําถามเพราะว่าจะมี ลักษณะหลากหลายความเกี่ยวข้องกับพระเนี่ยนะครับเรื่องของวินัยอย่างนี้เราก็จะค่อยๆพูดไปด้วยคยยๆๆไปในตอนตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับครับเพราะฉะนั้นในรายการเปิดธรรที่ถูกปิดภาคออนไลน์วันนี้ที่ว่าสมควรเกล้าเรื่องมรดกพงศ์ครับผมแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีนึ่งเชร์เพาร์ครับกับนัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไผ่บูรอภิพุโนแห่งวัดป่าดอนไหศกจังหวัดอุดรธานี ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ